ชอบรอยยิ้มชอบนิสัยชอบที่เธอไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเธอชอบแบบนี้ไม่เปลี่ยนใจและฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งเธอไปเหมือนกันเพราะฉันจะทำทุกอย่างให้เธอมีความสุขขอแค่เธอหยุดฟังสักแป๊บหนึ่ง จะคอยเป็นนาฬิกาจะบอกเวลาเธอทุกวันจะคอยเป็นแปรงสีฟันที่ทำให้ฟันของเธอสะอาดจะคอยเป็นผ้าห่มจะคอยเป็นมอนคาจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เธอนั้นอุ่นใจจะคอยเป็นคนดูแลเวลาที่เธอนั้นไม่สบายจะคอยอยู่เคียงข้างกายส่งไลน์บอกเธอว่าฟัน จะคอยเป็นบอดี้การ์ดจะยอมเป็นตัวปรลาดแล้วฉันจะไปตลาดไปซื้อผักกาดมาผัดให้กินแบบนี้เธอชอบไหมชอบรอย จะเป็นนาลิกาจะบอกเวลาจะทุกวันจะคอยเป็นแปลงสีฟันที่ทำให้ฟันของเธอสะอาดจะคอยเป็นผ้าห่มจะคอยเป็นมอน แล้วฉันจะไปตลาดไปซื้อผักกาดมาผัดให้กินแบบนี้เธอชอบไหม